บุ๊กทูยี่สิบแปดบสตัตในโรงแรมการร้องเรียนแดรโฮเทลชคอียตฝักบัวใช้งานไม่ได้ดูชคอร์ไม่มีคนไม่มีน้ำอุ่น อ ب บ ر م ร์ ی آ ی มอายดคุณมาซ่อมมันได้ไหมครับมี توانید น ر ا ی تعمیر آن اقدام کنید؟ ن ی ดในห้องไม่มีโทรศัพท์ ا อทอกฟอกเดดเทเ ت ในห้องไม่มีโทรทัศน์โอทอกเทเลวิ ن ันหนห้องไม่มีระเบียง โอทอกเบจูเบคอนสห้องนี้เสียงดังเกินไปโอทอกเซรซโดดอรัดห้องนี้เล็กเกินไปโอทอกเคูชักแอสห้องนี้มืดเกินไปอทอกทริกส เครื่องทำความร้อนไม่ทำงานโชฟอร์จคาร์เนมีคนดเครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน د ัส گ ์ ه กเ و ی ه าวิเอคาร์เนมีคนดโทรทัศน์ไม่ทำงานเทเลวิชันครอบแอสผมไม่ชอบเลย این مورد پسند من نیست من มันแพงเกินไป این برای من خیلی گران است คุณมีอะไร ی ی ที่ถูกกว่านี้ไหมครับ چیز ا อ ز ا ن ซรีน่าดดที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมครับดาริ ن นั่นดีคีข้าบก้ و ฮีวุจ มีเบรคแอนด์เบรคฟาสใกล้ที่นี่ไหมครับด้นในนั้นดีทีนซิอนมีูดมีร้านอาหารใกล้ที่นี่ไหมครับดนในนั้นดีทรีสตรานีูด